เรื่องสงมุ่งจะวินิจฉัยอธิกรณ์ครั้งนั้นสงประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นจึงได้ประชุมกันลำดับนั้น ท่านพระเรวัตประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านทั้งหลายขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าพวกเราจะระงับอธิกรณ์นี้บางทีจะมีภิกษุผู้ถือว่าอธิกรณ์มีมูลหรือฟื้นขึ้นมาใหม่ถ้าสงพร้อมแล้วพึงระงับอธิกรณ์นี้ในที่ที่อธิกรณ์นี้เกิดขึ้น ต่อมาภิกษุผู้เถระทั้งหลายพากันเดินทางไปกรุงเวสาลีเพื่อวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นครั้งนั้นท่านพระสัพพกามีเป็นพระสังฆเถระทั่วสังฆมณฑลมีพรรษา120นับแต่อุปสมบทมาเป็นสัตว์ทีวิหาริกของท่านพระอ น, นุนพักอยู่ในกรุงเวสาลี ครั้งนั้นท่านพระเรวตะบอกท่านพระสัมพูตะสารวาสีดังนี้ว่าท่านผมจะไปวิหารที่ท่านพระสัพพกามีอยู่ท่านเข้าไปหาท่านพระสัพพกามีก่อนแล้วเรียนถามวัตถุสิบประการพระสัมภูตะสารวาสีรับเถระบัญชาแล้วต่อมาท่านพระเรวตะ เข้าไปยังวิหารที่ท่านพระสัพพกามีอยู่เสนาสนะของท่านพระสัพพกามีเขาจัดเตรียมไว้ในห้องส่วนเสนาสนะของท่านพระเรวตะเขาจัดเตรียมไว้ที่หน้ามุขห้องขณะนั้นท่านพระเรวตะคิดว่าพระผู้เท่ารูปนี้ยังไม่จำวัดจึงไม่จำวัด ท่านพระสัพพกามีคิดว่าภิกษุอาคันตุกะรูปนี้เหนื่อยมาแต่ยังไม่จำวัดจึงไม่เข้าจำวัดเหมือนกันครั้นพอใกล้สว่างท่านพระสัพพะกามีลุกขึ้นได้กล่าวกับท่านพระเรวัตะดังนี้ว่าท่านเรวตะเวลานี้คุณอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรเป็นส่วนมาก ท่านพระเรวตะตอบว่าพระคุณท่านเวลานี้ผมอยู่ด้วยเมตตาวิหารธรรมเป็นส่วนมากท่านพระสัพพกามีกล่าวว่าท่านเรวตะทราบว่าเวลานี้คุณอยู่ด้วยวิหารธรรมที่เรียบง่ายนั่นก็คือเมตตาท่านพระเรวตะตอบว่าท่านผู้เจริญ เมื่อก่อนคราวเป็นคฤหัตผมได้ประพฤติสั่งสมเมตตาฉะนั้นเวลานี้ผมก็ยังอยู่ด้วยเมตตาวิหารธรรมเป็นส่วนมากแต่ผมบรรลุอรหัตผลนานแล้วท่านผู้เจริญเวลานี้พระเถระอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรเล่าเป็นส่วนมากท่านพระสัพพกามีตอบว่าท่านเรวตะ เวลานี้ผมอยู่ด้วยสุญญตวิหารธรรมเป็นส่วนมากท่านพระเรวตะกล่าวว่าท่านผู้เจริญทราบว่าเวลานี้พระเถระอยู่ด้วยวิหารธรรมของพระมหาบุรุษนั่นก็คือสุญญตสมาบัติท่านพระสัพพกามีกล่าวว่าท่านเรวตะ เมื่อก่อนคราวเป็นคฤหัตผมได้ประพฤติสั่งสมสุญญาตสมาบัติฉะนั้นเวลานี้ผมก็ยังอยู่ด้วยสุญญาตวิหารธรรมเป็นส่วนมากแต่ผมบรรลุอรหัตผลนานแล้ว